อะไรล่ะเพราะเราขาดสติเออเพลินไปตามสัญญารมลืมลืมความตายเหตุฉะนั้นท่านจึงว่าในตามหลักธรรมนะว่าอย่าเป็นพวกประมาทดูอยู่ทุกวินาทีความตายน่ะถ้าเรากำหนดสมมติว่าเรานั่งนี่จิตมันสงบแล้วเรากำหนดดูนี่ความตายเนี่ยมันก็จะตายอยู่ตลอดความเกิดมันก็เกิดอยู่ตลอดต่อเนื่องอยู่ตลอดแต่เราไม่รู้ ให้เราสังเกตยกตัวอย่างในตระทัศน์นะที่มันเป็นรูปภาพออกมาน่ะมันก็เป็นเส้นๆๆๆๆๆนั้นแหละนั่นแหละมันจึงจะเป็นภาพได้ความตายและความเกิดของเราก็อยู่อย่างงั้นแหละถ้าเรากําหนดนะเพห็นแต่เราไม่กําหนดเราไม่รู้เนี่ยเพราะความตายมันอ ย, อยู่ทุกวินาทีอยู่ทุกนั่นลมหายใจเข้าออกเหตุแต่นั้นถ้าเราประมาฏแล้วบุญกุศลก็ไม่เกิดเอ่ ใจของเราก็ล่องลอยไปตามสัญญาลมใจของเราก็ไม่ไม่สูงขึ้นเราไม่ได้พัฒนาใจของเราเพราะฉะนั้นนะท่านจึงให้พัฒนาใจดูใจของเราเนี่ยเวลานี้ขณะนี้มันมันไปติดอยู่ที่ไหนมันไปคล้องอยู่ที่ไหนเราก็ดูพยายามดูคี่คลายดูเออมันไปติดอยู่ส่วนไหนของร่างกายนั่นนะ่ะเออมันลืมคนเรา ลืมคือขาดสตินั่นแหละอืมลืมว่าเดี๋ยวนี้เรายังไม่แก่ยังไม่เจ็บยังไม่ไข่นั่นมันเป็นอย่างนั้นผัดวันประกันพุ่งอืมมันก็เลยวันนั้นก็ผัดไปวันนี้ก็ผัดไปแล้วครับแต่ว่าชีวิตของเรานี่ยมันเดินไปหน้าเรื่อยๆไม่ไม่ถอยหลังนับแต่วันเกิดสั้นเข้าสั้นเข้าเดินเข้าไปไหนล่ะ เดินเขาไปหาความตายอ่านั่นจึงว่าชาติความเกิดเราก็มีแล้วปัจจุบันนี่แหละเอาปัจจุบันธรรมนี่แหละเราเกิดมาจากอะไรจากบุญกุศลที่เราเคยเคยสร้างสมบูรมมาแต่พบก่อสร้างก่อนนั้นแหละเมื่อคืนก็เลยพูดให้ฟังอยู่เรื่องบุญกุศลคนจะมาเกิดได้ก็เพราะมีบุญต้องมีศีลห้าธรรมบทติปิลิโอตตะปะอ่าธรรม เรียกว่าเทวธรรมธรรมที่ทํามบุคคลให้เป็นมนุษย์ต้องมีมีธรรมเหล่านี้จึงจะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ถ้าไม่มีธรรมเหล่านี้ไม่สามารถเกิดเป็นมนุษย์ได้ต้องไปเกิดเป็นสัตว์หรือสัอ้นเกิดเป็นเปรดเป็นผีเราไม่ต้องไปเอาไกลหรอกดูใจของเราในขณะนี้เวลานี้บางวันใจมันเป็นเทวดา ใจมันเป็นบุญเป็นกุศลบางวันหรือบางขณะใจมันเหี่ยวแห้งใจมันมีแต่ความโามลภ ค, ความโกรธความหลงอันั่นแหละของใจเปรตใจมารความโลภนี่เป็นทําทําให้จิตใจของเราเต่อมองเออสิ่งเหล่านี้นักภาวนาก็เหมือนกันถ้าเอาความโลภมาเข้าใจมากลมใจเข้าเจ้าของแล้วไม่สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติได้ อันนั้นก็ไม่พออันนี้ก็ไม่พอเอออันนั้นก็อยากได้อันนี้ก็อยากได้ จ, จิตใจมันก็เศ้ามองขุนมัววันนี้เราจะมาสัสางมาขูดมาเกามาพิจารณาขี้คายให้มันเกิดให้มันมีขึ้นเรียกว่าภาวนาสิ่งที่ไม่รู้เราก็จะรู้สิ่งที่ไม่เห็นเราก็จะเห็นตั้งแต่ก่อนเราไม่เคยมาป ร, าปรนั่งภาวนาไม่เคยมาประพฤติปฏิบัต นั่งปะเดี๋ยวป้ดาวเริ่มเจ็บนั่นปวดนี่นั่นแหละเป็นเรื่องอุบายของกิเลสเออมันกลัวเราจะหนีออกจากอำนาจของมันเราเกิดขึ้นมาแต่ละภพแต่ละชาติเราก็อาศัยธาตุตีดินน้ำลมไปนี่แหละเป็นเรือนอยู่ของใจ อ, อใจแทน้น่ะเขาไม่แก่เขาไม่เก็บเขาไม่ตายออกจากร่างนั่นไปอยู่สู่ร่างนี้นี่ ออกจากภพนั้นไปอยู่สูส่ภพ น, นี้นั่นใจนี้ไม่มีแก่แต่ร่างกายสังขารเนี่ย อ, อถ้าดินน้ําไฟลมอันมันเป็นสมบัติของโลกอันนี้เขาก็อยู่อย่างนี้เขาก็มีอย่าง น, าางนี้เราจะเกิดขึ้นมาก็ตามให้เกิดขึ้นมามาก็ตามเขาก็มีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ในความอดินน้ําลมไฟความแก่ความเจ็บความตายเขาก็มีอยู่อย่างนี้ แต่เราขาดการฤตริปฏิบัติขาดการพิจารณาเมื่อเราประสบพบสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาล้วก็ทำให้จิตใจเหี่ยวแห้งห้อยเงาเศร้ามองโศกเศร้าเสียใจคิดอะไรอาวรนั่นมันเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะเราขาดการพิจารณาการพิจารณากับเหมือนการภาวนาเนี่ยเราน้อมโอปะนียโกน้อมเข้ามา พ่วงสอกงาวานาคือปาริมุนทนนี่แหละไม่ต้องไปที่อื่นทำอยู่นี่ไม่อยู่ที่อื่น อ, อย่างขันห้ามันอยู่ที่ไหนมันไม่ได้อยู่ที่าำรับตำรานะรูปมันอยู่ที่ไหนก็ อ, อยู่ที่เรานี่แหละเวทนาความเสวยความรู้สึกมันก็อยู่นี่สัญญาความจำได้ไหมายรู้ก็อยู่นี่สังขารความปรุงแต่งปรุงเป็นบาปเป็นบุญก็อยู่นี่ วิญญาณความรู้ตึกก็อยู่นี่ไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ที่กว้งตอกยาวานาคือท่านแยกออกเป็นสองแล้วอ่ะคันสองรูปและนามนะแต่เราผ่านการพิจารณาเลยลืมเข้าใจว่ามันอยู่ในตำรับตำราอยู่ในพระัยปีดกอนันนมันเป็นอักษรเฉยเป็นชื่อของเขาเฉยชื่อของทำไม่ใช่ทำทำแท้อยู่ที่ อยู่ที่ใจอยู่ที่เราทำแท้ไม่มีเพศไม่มีบุรุษไม่มีหญิงไม่มีชายทำแท้นั่นถ้าใครระพฤติปฏิบัติตั้งใจระาฤติปฏิบัติทำจริงทำจังให้มีสติอยู่ทุกอิริยาบทสามารถระาฤติปฏิบัติได้หลุดพ้นไปได้ที่เราเถอนั่นก็เพราะเราสาดสตินั่นแหละ จากนั้นน่ะเราเห็นนั่นน่ะเราเห็นคนอื่นตายแล้วก็เฉยถ้ามันคนใกล้เข้ามาหน่อยเราก็มีใจคิดไปอย่างหนึ่งอีกคิดถึงกันนั่นแต่เราไมไ่เอามาพิจารณาว่าความตายเราก็ไม่วันใดกับวันหนึ่งนั่นแหละเราก็จะจากโลกนี้ไปเออไปรู้ว่าจะไปที่ไหนถ้าเราไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลเอ่าดูปัจจุบัน น, นาคิตนี้แหละอ่า ว่าขนาดนี้เวลานี้ใจเรามันเหนียวแห้งไหมใจเรามันเป็นกุศลไหมเออใจเรามันเบิกบานเหมือนกับคำที่พระพุทธเจ้ากล่าวาว่าพูดโธแปลว่าพู้ตื่นแปลว่าผู้เบิกบานไหมเราดูต ร, ตรงนี้เวลานี้ขนาดนี้ไม่ต้องไปดูที่อื่นเมื่อเวลานี้ขนาดนี้ปัจจุบันนี้ใจเราเบิกบา น, ใ จ, าบบานใจเรามีความสุขใจเรามีบุญกุศลอยู่มันจุไว เราออกจากโลกนี้ไปสู่สุคติพบ โ, โลกหน้าเราก็ไปแบบมีความสุขเขาเรียกว่าไปอย่างสุขโตอยู่ก็อยู่แบบมีสุขะโตอยู่ก็มีความสุขออแล้วเราจะทำยังไงล่ะมันถึงจะมีได้แล้วก็ต้องสร้างเอาทาเอาฝึกปฏิบัตเิเอาอเศรษฐีเขาจะร่ารวยได้เขาก็อาศัยการสร้างฐานะ คนทุกทรมานเออปากตําทํางานการทุกอย่างเขาอาศัยนั่ น, เ, นเขาต้องทุกข์เยก่อนเออไม่ต้องดูไกลหรอกยางถนนเนี่ยที่เราใช้อยู่เนี่ยวิ่งรถวิ่งไปวิ่งมาอยู่เนี่ยตั้งแต่ก่อนเขาเป็นป่าเป็นดงเป็นปงเป็นภัยอยู่ อ, อ่กว่าจะเดินผ่านไปได้ก็ไม่รู้เลยกวบว่าน้ำอยู่เยอะแยะ พอเราตัดตัดครั้งแรกนั่น่ะมันลำบากถึงขนาดไหนเราก็พิจารณาดูการปรฏิบัติเนี่ยถ้าเราเอาความลำบากเออความเจ็บความทุกข์มาใส่ไว้มันก็ไม่สามารถจะผ่านพ้นไปได้ให้เราม้อมดูพิจารณาดูเวลาเรานั่งความเจ็บดูพิจารณาอย่างอริยสัจเยกับทุกขังอริยสัจจังนั่นน่ะท่าน พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้แล้วว่าทุกเป็นของเลิศทุกเป็นของประเสริฐนั่นพอความสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นที่เราแหละเราไม่เป็นอย่างนั้นแหะเออมันไม่เป็นของประเสริฐของเลิศเเอยใจเราก็หอ้อยเหงาเสียถ้ามาเกิดที่ใจเรานั่นมันเป็นอย่างนั้นใจเรากับใจพารีเจ้ามันคนละใจะนั่นแต่ก่อนท่านก็เป็นอย่างเรา แ ต, แต่ท่านทำไมจึงสามารถผ่านพ้นสิ่งเหล่านี้ไปได้ก็ท่านประพฤติมาประพฤติปฏิบัตินั่นแหละมาขัดเกลามาขี่คายมาพิจารณาดูสิ่งเหล่านั้นน้อมเข้ามาดูไ ต, ตลักษ์ไตลักษ์มีอะไรบ้างอันนี้จังเขาขังอนัตตานั่นอันนี้จังมันเป็นของไม่เที่ยงเที่ยงหรือไม่เที่ยงเขาก็เป็นอยู่อย่างนี้ถ้าจะพูดจริงๆตามหลักธรรมแท้แล้ว สิ่งเหล่านี้เขาเที่ยงเขาเป็นอยู่อย่างนี้เออเขาก็ไปอย่างนี้ที่ใจเรามันห่อเหี่ยวใจเรามันเปนเกิดทุกข์ก็เพราะอุปาทานความยึดมั่นของเรานั่นแหละไปยึดไปถือไปมั่นหมายเขาเออเมื่อสิ่งเหล่านี้มันประสบพบเขา้าความแจ็ก็ตามความเจ็บก็ตามความตายก็าาตามเกิด ประสบพบเข้าเราก็ใจเราก็เหีียวแห้งเจ๊ะเออแล้เราก็ปอไปเจีะแม่มันเป็นอย่างไงเพราะอะไรเพราะขาดการพิจารณาถ้าเรามาพิจารณาอยู่ทุกวันทุกวันวันละเล็กวันละน้อยไม่ตสองวันมากหรอกเออเอาวันละน้อยตามกําลังกําลังเราน้อยเราก็พิจารณาเอาน้อยเออถ้ากําลังเรามากหรอกเอามากนั่นแต่ทำของพระพุทธเจ้านี่ ต้องเดนตายซะก่อนยิ่งอย่าสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่แล้วอมีอยู่ประจําก่อนพระพุทธเจ้าท่านจัดมาตัตรู้สิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่แต่ไม่มีใครรู้พระพุทธเจ้าท่านก็เอาสิ่งที่มันมีอยู่นั้นแล้วมาค้นคว้ามาประพฤติปฏิบัติมาแยกแยะแล้วก็นําออกมาสอนประชาชนเอสอนเวนายาตัดให้รู้ให้เข้าใจ ให้ออกจากสิ่งเหล่านีเา้เพราะมันมีเชื้ออยู่เชื้อมันไปอยู่ที่ไหนล่ะมันก็อยู่ที่ใจนั่นแหละไม่ได้อยู่ที่อื่นเออถ้าเราพยายามกําจัดเชื้อนี้ออกเออพยายามกาจัดออกกาจัดออกมันไม่มีเชื้อเรามันก็เพาะไม่เกิดอย่างเมล็ดข้าวเนี่ยถ้ามันยังมีเปลือกอยู่เราก็เอาไปฝังเอาไปเพาะเอาไปหว่านมันก็มีเชื้อมันก็เกิดขึ้นอีก ถ้าเป็นมเมล็ดข้าวสารมันะจะไปหวานจะไปเพาะไปทาอะไรก็มันไม่เกิดอันนี้ใจของเราเสมอกันถ้าเรามาพิจารณาที่ใครแยกแยะให้มันเห็นตามสภาวะความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้ก็สามารถเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายรู้สิ่งเหล่านี้อย่างเรารู้อยู่ว่าไฟ เราก็ไม่อยากจะไปจับจะจบไปแตะต้องเพราะมันเป็นของร้อนแต่เดี๋ยวนี้เราไม่รู้ออนั่นความไม่รู้ตามหลักธรรมทำให้เรียกว่าอาวิชชามันไปหุ้มห่ออยู่ที่ไหนล่ะมันหุ้มห่ออยู่ที่ใจนี่แหละเดี๋ยวนี้ทำยังไม่เกิดเพราะอวิชชายังไม่ออกถ้าเราเพิกอวิชชาถอนอวิชชาออกแล้วมาเนี่ย อวิชาตัวนั้นความรู้มันจะเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อเราก็ตบพบเข้าเราก็สามารถมีสติยับยั้งชั่งใจเพราะสิ่งนี้เราเคยพิจารณายแยกแยะมาแล้วเราก็สามารถมันก็ไม่มาม า, มาหุ่มห่อใจเราได้นั่นมันเป็นอย่างนั้นเหตุจากนั้นท่านยังว่าภาวิตาบาหูโหริกต า, าทำไมมากเจริญให้มาก พิจารณอาอยู่ทุกอิริยาบถจะเป็นการเดินก็าตามยืนก็าตามนั่งก็าตามนอนก็าตามการประพฤติปฏิบัติท่านใช้ทั้งอิริยาบถ ท, ทั้งสี่นะไม่ใช่ว่ามานั่งอยู่นี่จึงเรียกว่าเรามาประพฤติปฏิบัติหรือว่ามานั่งกรรมฐานกรรมฐานนั้นมีอยู่ทุกคนมีกรรมฐานทุกคนเรา เออเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังนั่นมีอยู่ทุกคนมีกระดูกมีอะไรเราก็มีอยู่ทุกคนถ้าเราสามารถเอามาแยกแยะมาขี้คายมาพิจารณามันก็เป็นทําได้ทั้งนั้นเออเป็นกรรมฐานได้ทั้งนั้นกรรมะกรรมะคือ ก, การงานเอ่อการกระทําฐานะคือที่ตั้งที่การตั้งการประพฤติปฏิบัติเออการแยกแยะพิจารณาเหตุนั้น เราก็อาศัยที่ท่านอาจารย์แพงไม้อมรภาพไปจากพวกเราไปเราก็มาประพฤติปฏิบัติเพื่อบูชาท่านได้สร้างคุณงามความดีไว้มากมายให้เราเห็นอยู่เราก็เห็นอยู่เออแต่ท่านท่านไปแบบสุขโตเออท่านไม่ได้ห่วงเออเพราะท่านมาอาศัยร่างนี้แล้ว อาชัยร่างนี้แล้วท่านขอบพยายามฝ่าเพื่อปฏิบัติผลควายประโยชน์พยายามสร้างเอาประโยชน์คุณงามความดีใส่ไว้เมื่อถึงเวลาท่านก็ละไปแบบสบายอันที่นอนอยู่ในนั่นนะ่ะกะโลงนั่นนะ่ะเขาเรียกว่าสมมติว่ากะโลงนั่นนะ่ะโลงนั่นศนพะนั่นนะ่ะอันนั้นมันกากเมืองจิ่งอย่างนั้นท่านไม่สามารถจะเอาไปได้เราก็เหมือนกันไม่สามารถเอาไปได้ทุกคนไม่สามารถเอาไปได้ ให้เราพิจารณาดูซิเมื่อเราเกิดขึ้นมาใหม่ๆต่างคนก็ามามือเปล่าไม่มีอะไรทุกคน่าผ่อนคอนสบายสิ่งเหล่านี้เรามาหาเอาใหม่ทั้งนั้น เ, เ, เมื่อเราหามาได้แล้วเราก็ไปโลภ เ, เอ้อไปงมงายจียอันนั้นก็ของกูอันนี้ก็ของกูแม้กระทั่งถ้าสีดินนะ้ำลมไฟอะไรก็ว่าของกูของกูขาของกู อะไรก็ของครูยอยู่นั่นเราไม่สามารถแยกแยะมาพิจารณาให้มันเกิดนิพิธาความเมื่อดายไ ด, ได้เมื่อความตายเข้ามาถึงเราก็อะไรอวรอัณฑ์เออห่วงหน้าห่วงหลังเออบุญกุศลคุณงามความดีเราก็ไม่ได้สร้างสมอบรมไว้เราจะผัดวันปักกันพุ่งก็ไม่ได้เออเมื่อคนตายมาถึงไม่ได้ว่าหนุ่ม่าแกแจไม่ได้ว่าเล็ก ความตายนี่ยเดินเหมือนกับเงาติดตามตัวเราติดไปอยู่ทุกอิริยาบถดั่นั้นอ่ะถ้าคนไหนประมาทใครเป็นผู้มีความประมาทเออก็วนเวียนอยู่นั่นแหละเออเรียกว่าเหมือนกับเราพายเรือในอ่างนั่นน่ะคนไปวนมาอยู่นั่นแหละเออไม่สามารถออกจากนี้ได้ท่านจึงเลือกไอ สมมุติในกายของเราเนี่ยเหมือนกับมหาสมุทรมหาสมุิทะเลหลวงหรือทะเลหลงเรามาเกิดขึ้นมาแต่ละภพแต่ละชาติเรามาหลงงมงายอยู่นั่นแหละถ้าเราไม่ประพฤ่อปฏิบัติเราไม่เราขาดสติมันก็หลงอยู่นั่นแหละเออถ้าเรามีสติเราตั้งใจประพฤ่อปฏิบัติเออไม่ได้ว่านักบวชเพราะเวา่าถ้าเราต้องตั้งใจประพฤ่ปฏิบัติ เราก็สามารถสามารถแบกไหว้ออกจากกัตะสงสารอันนี้ออกจากทะเลหลงอันนี้ท่านจึงมุกมาประม า, ะมาเหมือนกับเรานั่งเรือไปอ่านั่งเรือไปอเลไปวลาเราข้ามภากไปฝั่งโน้นแล้วเราจะแบกเรือไปด้วยก็ไม่ได้มันเป็นของหนักแล้วก็ต้องปล่อยทิ้ไงไว้แล้วก็ไปแต่ตัวเปล่าอันนี้ก็เหมือนกันเราเกิดขึ้นมาแล้วเรามาอาศัยร่างอันนี้ ภาคดินน้ำลมไฟเหมือนกับเรานั่งเรือเมื่อเราประโยคน์พยายามประพฤติปฏิบัติสร้างพลังความดีแต่ร่างอันนี้เราไม่ออกไปด้วยเราทิ้งไว้หนีในโลกอันนี้เออเป็นสมบัติโลกอันนี้เออดินเขาเขอแยกไปอยู่ส่วนดินน้ำเขาไปสู่ส่วนน้ำไฟเขาไปสู่ส่วนไฟลมเข้าไปสู่ส่วนลมมันอยู่นี้เราไม่ได้ออกไปด้วยคล่องเป็นสมบัติโลก เปะเป็นเกาะอาเมืองออสิ่งเหล่านี้เราไม่เอาแต่เราก็อาศัยสิ่งเหล่านี้แหละสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลเพราะบุญนั้นก็เป็นนา ม, มาธรรมใจของเรานั้นก็เป็นนา ม, มาธรรมสิ่งเหล่านี้ควรเจอกัน อ, อทาคาสอนของพระพุทธเจ้าทาแท้นั้นก็เป็นนา ม, มาธรรมทาแท้นั้นไม่มีเพศไม่มีวัย เาเรียกว่สาสภาวะที่ทรงไว้ธรรมะเรียกว่าสภาวะที่ทรงไว้อย่างทุกข์ก็ทุกข์จริงเอเออเย่างดีก็ดีจริงนั่นทำแท้เป็นอย่างนั้นแต่ที่เราไม่รู้เนี่ยเพราะาาขาดการขาดประพฤติการพฤติธปฏิบัติขสติของเรานั่นแหละนั่นเจากนั้ น, น, นเรามาทุกวันทุกวันมาประพฤติธปฏิบัติ ตั้งแต่นุ้นแหละตั้งแต่หลวงปู่เราพละนาภาพมานู้นเลละแล้วก็มาต่อตนันี่เนี่ยเราแสดงว่าเรามีบุญมีกุศลเรามีกรรมฐานให้เรามาพิจารณาเออเราเอาความตายนั่นแหละอาจจะอาท่านที่นอนอยู่ในนั่นะท่านอาจารย์กำแพงแนหะมรณะมรณะความตายเนี่ยมันไม่เลือกคนจะดร้างคนงามความดีก็ตายได้คนชัว่วกระตายได้ ความตายเนี่ยไม่ได้เลือกเมื่อถึงเวลาถึงระหว่างถึงอายุขของใครของมันเ็าเรียกกันตามสมมุติโลกลว่าบุญกุศลมาแค่นั้นเราสร้างมาแค่นั้น เ, เราก็ได้ยินอยู่ท่านอาจารย์มหาบุญท่นนั้นเทศเ อ, อย่างพระโสดาเนี่ยม็มีอยู่เจ็ชาติสามชาติและก็ชาติเดียวนั่นเป็นอย่างนั้นแนี่หละ เราจะสามารถประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นได้ไหมเราก็สามารถได้ถ้าเรามีศรัทธาือมีความเชื่ออยู่แล้วประพฤติปฏิบัติเราอย่าไปเป็นมีน่ะๆเราอย่ า, ยาเป็นอำนาจอยู่ใต้อำนาจของกิเลสถ้าเราอยู่ใต้อำนาจของกิเลสแล้วก็มันกระจุงไปล่าไปอยู่นั้นแหละจะนั่งภาวนาเดี๋ยวปอดาวก็เจ็บนั่นปวดนี่เราไม่พิจารณาถ้ามันเจ็บแล้วก็ย้อน ด, ดูที่หล่ะ ใครเป็นคนเจ็บใครเป็นคนปวดเออขาเขาก็ไม่ได้ว่าหนังเขาก็ไม่ได้ว่าความเจ็บเขาก็ไม่ได้ว่าเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเจ็บ่สำคัญใจของเราเนี่ยไปยึดไปเหนียวไปมั่นหมายเขาท่ น, นมันสำคัญนะให้เราแยกแยะออกถ้ามันเจ็บมากๆนะการแนั่งภาวนาเนี่ย เยอะมากๆแล้วก็ย้อนจิตเข้ามาอยู่ภายในพอย้อนเข้ามาแล้วมันได้กําลังแล้วก็ย้อนออกมาพิจารณาดูที่กายดูให้มันเห็นตามสภาวะความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้ให้มันเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายถ้าเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายแล้วเราก็ไม่อยากมาเกิดอีกแหละอย่างเราเห็นไฟเนี่ยมันเป็นของร้อนเราก็ไม่กล้าจะจับ ไห้กล้าไปแต่ต้องอันนี้ก็เหมือนกันอแต่นั้นนะ่ะเรามาประพฤติปฏิบัติเพื่อบูชาเออเราอาศัยเหตุคือท่านอาจารย์กาแพงนั่นแหละเป็นเหตุเราก็มาประพฤติปฏิบัติทุกวันทุกวันบูชาทุกวันทุกวั น, วนแต่ท่านไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรอกบุญกุศล่เราเป็นคนได้อ่าไม่ใช่คนอื่นได้เหมือนกับเราเราก็ทานอาหาร ถ้าเรารับประทานแล้วก็อิม่มคนอื่นรับประทานเขาก็อิม่มแต่เขาเราไม่ได้ไปอิ่มด้วยอันนี้ผมเหมือนกันการฝ่าเพื่ปฏิบัติแต่อาตมาไม่ได้บังคับให้นั่งไปพอสมควรถ้าเรามีศรัทธาแค่นั้นหรือมีจิจพละถ้าจะออกก็ออกได้ไม่ได้บังคับถ้าใครมีศรัทธาจะนั่งตลอดรุ่งก็ได้ไม่เป็นไรเออเออเรามีศรัทธา เอาอย่างนั้นไม่มีไม่มีกำหนดกฎเจนแต่เวลาออกก็ให้พิจารณาดูเรากําหนดทมบทไหนจิตใจเราปลอดโปรงจิตใจเราสบายเราก็กําหนดทมบทนั้นก็ค่อยออกจะไปบุมวามบ อ, อกเมื่อเรามาประพฤติปฏิบัติข้างหลังหรือวันหลังจิตใจเราจะพุ้งสัน้นแต่เราไม่เอา ที่เป็นอดีตมาแล้วเราไม่เอาเอออันนั้นเป็นอดีตแล้วเอาปัจจุบันรรเอออดีตที่ผ่านมาไม่ไปเกี่ยวไม่ไปยุ่งเขาอันนั้นเป็นของวันนั้นเออเรากำหนดที่หลวงปู่ขาวท่านว่าให้ปล่อยความอยากวางความอยากทำใจมอนดินเลยน้าเออเราอย่างเรานั่งเนี่เราจิตอยากให้มันสงบ ก, ก็ไม่อยาก เอขอให้ใจเรานี่ยสัมพันธ์กับคําบริกรรมนั่นพุทเข้าโทรออกพุทเข้าออกอยู่ตลอดเราอย่าไปเผลอถ้าเราเผลอเตติถ้าเราเผลอ เ, อเอตเเอเอติความเจ็บมันก็เกิดขึ้นแล้วบัะนเะอเจ็บตรงนั่นปวดตรงนี้อะไรของกลัวอะไรของกลัวละบัะนะีท่านะผู้ที่ท่านนั่งภาวนากําหนดเพลินไปตามธรรมนั่นก็เพราะ ท่านมีทำเครื่องอยู่คือพิจารณาเพลินในธรรมนั่นใจมันก็สบายแล้วบัดมันจะเป็นหรือไม่เป็นก็ตามอย่างเราไปเลี้ยงเลี้ยงงัวเลี้ยงเลี้ยงโคนี่ยโคมันหายถาสมมุติว่าโคมันหายเสียวันนี้เรากำหนดพุทธเข้าท่ออกนะั่นแหะโคมันหายเราไปจับไปตามหาโคเหมือนกับเราตามหาโคนั่นะเรากำหนดพุทเข้าท่ อ, อ กำหนดไปกำหนดไปของของของเราเราก็รู้โคของเรามันเป็นรอยอย่างไงเราก็รู้เมื่อเราตามไปตามไปตามไปแล้วไปถึงตัวโค ร, รอยเราไม่เอาปล่อยทิ้งเลยเร า, เาโคอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันเรากำหนดพุทเข้าทอเพราเรากพอกำหนดเข้าไปพอพุทเข้าไปแล้วพุทธทอเราก็ไม่เอาทิ้งไปเลยอเอาความสว่างเอาความรู้น่ะเออผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่น มันอยู่ที่ไหนเราย้อนมาพิจารณาดูาต่างคนต่างมาีความรู้นั่นจะมีมากหรือมีน้อยมันอยู่ที่เรานั่นแหละอยู่ที่สติปัญญ า, อาของเราเอาตอบไปนี้ให้นั่งปฏิบัติฟังอุบายแล้วเราก็นั่งปฏิบัติตามที่ท่านอาจารย์กำแพงเคยปักพาพาธรรมนะท่านท่านไม่พูดมาก บางวันก็สาสิบนาทีบางวันก็ยี่สิบนาทีบางวันก็สี่บห้าไม่ไม่แน่นอนแต่ว่าท่านพอเสร็จแล้วท่านให้เลิอกอันนี้ให้เรานั่งมานนีเรานั่งฟังทำทมแท้มันอยู่ที่ไหนให้เราต่างคนต่างค้นคว้าต่างคนคต่างค น, ต, งคนต่างพิจารณาเมื่อถึงเวลาให้เราถึงเวลาเราจะออกก็พยายามกำหนด ห้ใจมันเป็นสมาธิอยู่เมื่อเรากลับไปถึงที่พักเราเราจะดำเนินต่อมันก็เข้าง่ายเออนั่นต่อไปก็กำหนดถ้ามันเหนื่อยสมมติว่าเราพิจารณาส่วนไหนของร่างกายมันเหนื่อยมันจี้คายเยีแย่มันไม่ยังไม่เข้าใจเราก็เข้ามาพักเจ้ะเหมือนกับเรา ทำงานนั้นแหละทำงานเหนื่อยแล้วก็พักออพ่อาบน้ําอาบท่ารับประทานอาหารเมื่อพักพ่อายเหนื่อยแล้วก็ทําต่ออันนี้ก็เหมือนกันเรานั่งอยู่นี่แหละเราวกจิตเข้ามาข้างในย้อนเข้ามาข้างในเสียงอะไรมากระทบแล้วก็น้อมพิจารณาให้เป็นอันนี้จังเป็นของไม่เที่ยงเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่นั่นเราจะไปสนใจกับเขาเขาจะไปคุยกับอะไรกับเรื่องของเขา เออมันพวกในนั้นมันเขาไม่รู้หรอกว่าเราสร้างคุณงามความดีเขากอกคุยกันอยู่นั่นแหละ อ, อันนั้นเรียกพอกไม่รู้อันนั้นนะแต่เราปล่อยอย่าไปสนใจสมมติว่าจิตหรือว่าหูสัญญาศรัทธาลมหูสัญญาของเรามันไปจับแล้วก็ย้อนเข้ามาภายในเสียเราจะาไปสนใจกับเขา คือมือคืนนี่แหละเห็นคนหนึ่งขึ้นมาเนี่ยมากันแสงอย่างนี้แหละแล้วก็ย้อนเข้ามาแล้วก็เลยไม่รู้ว่าใครเป็นใครย้อนเข้ามาภายในเราจะไปรับรู้กับเขาเออนั่นหละให้เราถือว่าเป็นมารเจ้ะนั่นแหละมารน่ะมันมาพยายามเ อ, อมันมีหลายมารน่นนะขันธามารเสนามารอะไรขักนกาไวน่ะกิเลสมารน่นนะมันมา พยายามมาแจ้งเราอย่างก่อนพระพุทธเจ้าท่านจะตัดตะลุนน่ะท่านทําเป็นลูกเป็นบุคลาธิฐานมีพยามาผี่สร้างขี่มาเอามาจะมาแย่งเอาบัานลังท่านนั่นมาตูเอาท่านไปนั่งท่านก็ไม่ได้อาศัยนั่นน่ะอาศัยตน้ตนต้นต้นโพหรือต้นสวีน้องปู่ศิษย น, น่ารักต้นสวีแต่ก่อนก็เรียกว่าต้นสวีหรือต้นโพนั่นน่ะต้นพพนี้มันไม่ ไม่ใช่ไม้ที่จะเป็นแก่นสารอะไรมันไม่มีแก่นใครก็ก็ไม่ต้องการหรอกท่านก็ไปนั่งอยู่นั่นแหละอืมท่านเอาอะไรล่ะเป็นพยานแล้วก็ธรณีนางธรณีนั่นแหละเขาทําเป็นรูปนั่นไม้ถึงไอ้แผ่นดินนั่นแหละธรณีก็บไม้ถึงแผ่นดินนั่นแหละเป็นพยานเออเรากั็เดี๋ยวนี้เราก็ทําใจเหมือนกับแผ่นดินนั่นแหละเออใครจะมาขุดก็ตามเออมาขี่มาเยี่ยวใส่ก็ตามเขาก็เฉ ย, ยอยู่นั่นน่ะ ท่านี้งว่าทำใจให้เหมือนดินและน้ำท่านใจทำใจให้เหมือนผ้าเิตเท้าเฉยอยู่กำหนดให้มีสติอยู่นั่น อ, อย่าไปเผลอเผล อ, อเมื่ อ, อไรลรวก็ขาดขาดภาวนาแล้วก็ตั้งใหม่ตั้งต้นใหม่อยู่นั่นแหละจะพานั่งวันนี้นั่งจน พอพวกกิเลสตะมาทั้งหลายมันจะถ่ายแพ่เรานน่นเนี่ยออ่าต่างคนต่างกำหนดพิจารณาอย่าไปเจ่งปล่อยให้ตามสบายสบายอ้าไปเจ่งมากมันหนักตรงนั้นหนักตรงนี้นั่งให้แบบสบายสบาย